ที่นี่วัดสนามไหน่อวันเสารที่หกมิถุนาสองพันห้ารอยยี่สิบสี่ตอนเช้า ว, วันนี้เมื่อทําบันเท้าจบแล้วผมในฐนะที่เดินทางมาพบกับเพื่อนทิบสึกกำเนิด ใหข้อคิดเป็นเครื่องตืึงจิตสกิจใจของพวกเราแนวพวกเราจะได้จดจันํานำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราหรือว่าเอาไปปฏิบัติควมรู้ที่เราควรรู้ควรเข้าใจนั่นมีอยู่สี่อย่างด้วยกัน เราต้องรู้จำจำมาจากตำรับตำลาหรือจำมาจากคำพูดของคนอื่นอันนี้เป็นการรู้จำต่อมาก็ต้องให้รู้จักรู้จำรู้จักนี่เทียงเป็นพื้นฐานหรือเบื้องต้นเท่านั้นเรายังจะไว้ใจให้เป็นความรู้ที่แจ้งหรือจริง ได้จริงๆนั้นยังไม่ได้บางคนเมื่อไปประสบพบอกับอารมณ์ต่างๆที่เขาไม่น่าพอใจหรือเขาขัดข้านขึ้นมาเราจะหวันไหวต่ออารมณ์นั้นๆเพราะเรายังไม่เข้าใจฟรัพซึ่งมาจากตัวกฎของธรรมชาติภายในจิตใจของเราจริงๆเพียงจำมาได้ นึกคิดเอาได้จากมันสมองเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยอันนั้นยังไม่เป็นการรู้แจ้งไม่เป็นการรู้จริงเพียงรู้จํารู้จักมาเท่านั้นดังนั้นที่เรามาที่นี่แมจะเป็นทิสุเนื้อสมณี น, นิยติโยมก็าตามเราเป็นนักศึกษานักศึกษาก็หมายถึงบุคคลที่แสวงหาความจริง ให้รู้แจ้งรู้จริงคนขวัวหาแล้วเอามาปฏิบัติอันนั้นเป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษามันเป็นคำระคำกันนักเรียนต้องเรียนเอาตามแบบตามแผนอันนั้นคือเรียนเอาคนขว้วนั่นก็หมายถึงจับน้นจับนี้แสวงหาเดี๋ยวคนกลัวเมื่อ เราได้พบได้เห็นกับสิ่งต่างๆแล้วก็ต้องห้อมมาปฏิบัติทดลองดูว่าสิ่งนี้มันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือหรือว่าที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจมานี้เอามายุคเข้าหรือมาผสมเข้ามันถูกต้องกันไหมมันแก้ทุกได้ไหมเราต้องมาใช้อย่างนั้นเมื่อเรารู้เราเข้าใจมาแล้วเอามาแก้ทุกไม่ได้ อันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องตามคำสอนของอาจาร้าเพียงถูกต้องคำสอนเราคนเดียวเมื่อเรารู้มาคนเดียวเราเท่านั้นเองคำรู้นั้นบางทีอาจจะนําให้เราผิดก็ได้หรือนําให้เราถูกต้องก็ได้ดังนั้นที่เรามาที่นี่เนื่ อ, อมาศึกษาการศึกษาการปฏิบัตินั้นต้องศึกษาและปฏิบัติที่ตัวเอง แม้ทิสุรสมเนนก็าตามหรือญาตโยมก็าตามคำว่าปฏิบัติธรรมะอันนี้ผมพูดตามผมจริงใจที่ผมได้ประพฤติปฏิบัติมาผมไม่ได้ยืมเอาคำพูดจากคนนั้นคนนี้และไม่ได้ไปจดจำเอากับคำพูดมาจากในกำตำหนักราผมคิดว่าทาอย่างนี้แหละไม่ไะคิดว่ามัน มันปรากดขึ้นมาเริ่มคิดเอาก็ได้หรือจะว่ายังไงก็ได้เพราะคำที่พูดนี้มันจองรับรองได้ถ้าหากเรายังรับรองไม่ได้อันนั้นยังไม่เป็นของจริงคำว่ารับรองได้ก็หมายถึงว่าใครจะพูดยังไงก็ตามเราต้องเอาชีวิตของเราเนี่ยแหละเป็นเดิมพันเอาไว้ถ้าใครต้องการก็ต้อง ลองดูจ้องปฏิบัติัวอย่างนั้นจึงจะเป็นคนรู้ที่ใช้ได้เักาะตัวเราคนอื่นนั่นจกใช้ได้ไม่ได้ก็าเป็นเรื่องของคนคนอื่นเท่นั้นถ้าเรามาที่นี่เรียกมาปฏิบัติมาปฏิบัติก็ต้องแก้ไขตัวเองจ้องปฏิบัติตัวเอ ง, อ ง, ตรต เ, องเรามาเป็นเนนเป็นพระหรือเป็นนักปฏิบัติต้องแก้ไขตัวเองไม่ใช่จะไปเดินจมกลม นึกเป็นนั่งสมาธิดูหนังสือได้แล้วเอาไปพูดอันนั้ น, นอีกเรื่องเราต้องแก้ไขตัวเองว่าตัวเองเนี่ยตะกอนเคยทำอย่างนี้แบบนี้เมื่อมารู้สับซึ่งถึงจิตใจแล้ ว, ลวสิ่งที่เราทามานั้นเนี่ยเรางดเว้นได้เรือเราเลิกได้เมื่อเราเป็นภาตเป็นเนมอยู่ที่นี่ สิ่งที่มันเลิกได้โดยธรรมชาติคือกฎระเบียบวินัยถ้าใครทําผิดกฎอันนี้หรือระเบียบอันนี้วินัยอันนี้จะอยู่ที่นี่ไม่ได้หรือจะเป็นเมงเป็นพระไม่ได้อันนั้นเราไม่ต้องไปเลิกละเพราะมันมีกฎ ต, ตายตัวอยู่แล้วถ้าเราบวชเป็นพระเป็นเมงนั้นอ่ะทําอย่างนั้นมันไม่ได้เข้าสังคมไม่ได้ตัวอย่างเช่นเทียบกันคืนดึงสุลาเล่นกันรพ น, นัน อันนี้วินัยเขาพูดไว้แล้วแต่เมื่อเป็นฆราวาสเราว่ามันไม่ิดกฎหมายเนี่ยที่เราต้องการอยากทำอันนั้นเรีว่าเรารู้แล้วก็ทําไปตามความที่เราปฏิบัติก็ต้องเลิกละได้จริงๆยังเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนดึงสุราแงบุรีก็เลิกได้อันนี้เรียก ว, ว่า เราสึกกไปก็ต้องเลิกอย่างนั้นเราจ้อปฏิบัติเห็นว่าสิ่งนี้มันให้โทษจริงๆเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องเลิกละจากสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้เรา่องปฏิบัติได้เราจ้องทดลองว่ะเราต้องปฏิบัติให้มันได้เราจะไปอยู่ที่ไหนสังคมใดเราก็ต้องเลิกละจากสิ่งเหล่านี้จริงๆแม้กระทั่งการนั่งการนอนา ก, การหลับการตื่นทุกวิธีทีเดียว อันนี้เลยว่าเราปฏิบัติต้อปฏิบัติอย่างนั้นต้องทาให้ได้อย่างนั้นไม่เสื่อมาปฏิบัติและไม่ได้อย่างนั้นแล้วก็เราว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติมาแล้วอันนั้นเป็นการคาดคิดเท่านั้นสมมติว่าเราอยู่ที่นี่เรานอนตื่นขึ้นมาในระยะตอยเท้าปีสี่สามสิบเรามาทำวันเท้า ถ้าออกจากที่นี่ไปแล้วตีสี่สาสิบเราก็ยังตื่นไม่ได้ลุกไม่ได้อันนั้นเพียงว่ามาอยู่ที่นี่ปศรเบียกวินัยวัดนี้ต้องบังคับให้ทาอย่างนั้นเราก็ต้องทำได้ถ้าออกจากที่นี่ไปแล้วทำไม่ได้อันนั้นสิวออ่ายังไม่ได้ปฏิบัติยังเพราะว่าอาศัยอำ น, นาจผมคูให้เราทำอย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติจริงๆถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆเราไปอยู่ที่ไหน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 เราต้องไปปฏิบัติอย่างนั้นอันนั้นมันผิดอุดมการผิดคําสอนของพระเจ้าเมื่อผู้เชนนี้ก็เลยมาพูดกันทันทีว่าชีวิตของคนทุกคนนั้นไม่ต้องการความทุกข์แต่คนจริงแล้วชีวิตทุกคนนั้นไม่มีทกแต่เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นพ่อเราไม่เข้าใจในเรืองชีวิตของเราเท่านั้นแต่ไม่ ถามคนทุกคนมาถ้าหากเป็นนักปฏิบัติแล้วต้องเข้าใจของชีิตจริงๆต้องเข้าใจชีวิตของเราจริงๆมาเป็นคนกลัวเอาในตำลับตำลาและมาปฏิบัติก็เข้าใจอย่างนั้นมันมันไม่เหมือนกันสำหรับผมได้พูดไปแล้วว่าจะนำมาพูดให้พวกเราได้ฟังได้ยินหรือนำไปใช้ ที่ผมทํานั้นผมก็แก้ทุกข์ผมเองได้ว่าชีวิตของผมไม่มีทุกข์จริงๆทีแรกผมก็นึกว่าต้องทําอย่างนี้สมมุติน น, นี่แต่ผมก็ต้องทําจริงๆเนี่ยไปนั่งกรรมฐานไปทํากรรมฐานกับปู่บาอาจารย์ท่านก็สอนวิธีกลมลูกของท่านมีท่านมียังไงอย่างไรท่านก็สอนอย่างนั้นเราเป็นลุกศิต้องทำตาม พ่าเราไม่รู้เนี่ยอันนี้ เ, นเรารู้จักเมื่อทำตามกับท่านก็ต้องเป็นอย่างที่ท่านสอน น, นั่นแหละอันนี้รู้จักแต่รู้จักอย่างที่ท่านจ้องเปน็นน่งนะหลับตานะภาวานานะภาวานาพุทโธก็ได้หรือสัมมาหังก็ได้นับหนึ่งสองสามก็ได้หรือภาวนาพองยุบหรือ อ, าา น, า อ, อานาปานวปติโกาตาม อันนี้เราก็ต้องทําตามอันนี้เป็นอารมรู้จับมารู้จักมาจากครูบาอาจารย์สอนให้ผมเคยนั่งมาแล้ววิธีเหล่านี้แก้ทุกได้ในขณะที่เรานั่งอยู่คนเดียวบางครั้งบางคราวหลับไปผมนงะหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวเอเอียงโน่นเองงเง น, ขนข้างนี้ไม่รู้สึกตัวเลยเ น, นี่ยทาไปตามอารมณ์ทำไปตามความเห็นทําไปตามที่เราต้องการนั่นแหละ อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิปัสนาเหมือนกันเพราะเราูดขึ้นมาเพราะเรา ว, าวิปัสนานั้นเรามันพูดติดปากมานานแล้วเรื่องนี้คำวิปัสนาคำว่าวิปัสนานั้นหมายถึงความรู้แจ้งเนี่ยไม่ใช่แรู้จำคำรู้จามันนันก็มันไม่ใช่รู้แจ้งรู้จักมันก็ใช่ไม่รู้จริงมันเพียงรู้จารู้จักจ อันนี้เขาเรียกว่ารู้จำรู้จักมาทาเปตามๆกันไปตอ น, ต น, ตนตรู้แจ้งรู้จริงนี่ผมทำมาอย่างนั้นแนะตั้งแต่ผมเป็นในทำมาซึกออกไปเป็นหนุ่มก็ทำมาคงรู้แจ้งรู้จริงไม่มีปรากฏขึ้นมาท้ายได้ใจของผมผมยังมีความสงสัยลังเลอย่างนั้นอนะ่ะเือความทุกยังอยู่อันนี้ผมยังมีความทุกข์ต่อมาเมื่อผมมาทำ วิธีที่ไม่ต้องหลับตาแล้วก็จะนั่งอย่างไรก็ได้นอนอย่างไรก็ได้เดินไปไหนมาไหนก็ได้แต่วิธีที่แรกผมก็ไม่รู้เหมือนกั น, น, นก็ต้องทับเคลื่อนไหวในอิริยาบถของผมเนี่ยทุกวิธีต้องให้มีสติเข้าไปกาหนดรู้มันเข้ากันได้จริงๆกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าให้มีสติกาหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ ยืนเดินนังนอนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ท่านสอนอย่างไรและนอกจากนั้นครูเหยืย่อเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็าตามให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้คาว่ากำหนดรู้เนี่ยเรารู้อย่างไรเรารู้โดยหลับไป ห, หรือเรารู้โดยไม่ด้วยมีสติท่านสอนให้เรามีสติกำหนดรู้เมื่อมีสติกำหนดรู้อันนี้เลย เทียบเทียบให้ฟังเหมือนกับที่เราเอาเม็ดข้าวจะเป็นข้าวเปลือกก็ตามหรือจะเป็นข้าวเจ้าก็ตามข้าวเหนี่ยก็ตามแต่ให้เป็นข้าวเปลือกจริงๆเม็ดข้าวนั้นต้องเป็นเม็ดข้าวที่อ้วนที่เต็มสมบูรณ์ดีเอาไปวางลงบนดินไม่แปลกเพาะเอดินปกไวจากนิดเดียวก็ได้และเม็ดข้าวนั้นมันจะคอยโตขึ้นอ้วนเข้ามาเพราะมันมีเสื้ออยู่แล้วในเม็ดข้าวนั้น่ะมันจะแตกขึ้นมา งอกขึ้นมาเป็นต้นเป็นดำขึ้นมาให้ไดเราลับผลอันนั้นจริงๆอันนี้ผมรับรองได้เมื่อผ้ทําเช่นนี้เนี่ยความรู้เป่าๆนั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของจริงแก้ทุกไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นมาภายในจิตใจจริงๆเนี่ยมันคือนเลยรับรองได้ว่าการเข้าการขับถ่ายของพระพุทธเจ้าได้แต่คาคําพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นคําพูดของพระพุทธเจา้า แต่มันเข้ากันได้เราต้องรู้อย่างนั้นจริงๆอย่างนี้เม่ผจริงกล้ารับรองเลยว่าทุกนั้นมันไม่ได้มีจริงๆที่เรามีทุกนั้นอ่ะเราไม่รู้คือเราหลงนั่นเองพวกภาษาเราเรียกว่าหลงเรียกพวกภาษาธรรมะเรียกว่าโมหะคำว่าโมหะนี่ก็หมายถึงไม่รู้จริงนั่นเองไม่รู้จริงคือมันรู้ไปทำไปแอบแฝงโดยความหลงผิด คือยังไม่กล้ายืนยันไม่รับรองคำสอนของพระเจ้าจริงจิงตอนที่พระพเจ้าท่านสอนด้วยจะเป็นใครสอนก็ไม่ทราบตอนนี้ผมไปดูหนังสือธรรมวิจารผู้ที่จเจริญสติปัญฐาสี่ให้ถูกต้องจริงๆและให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานที่สุดยังนานนะไม่เกินเจ็ดปี และอยาง ก, กลางทาง่านกล่าวเจ็ดเดือนดังเร็วนะท่นว่าหนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอเนสนงสองประการหนึ่งเป็นเทวรหันแต่หากว่ายังไม่ได้เป็นเทวรหัน์ในปัจจุบันทุกนี้หรือศาสตรนี้ก็ต้องเป็นพระอ น, นาคามิเมื่อเป็นพระอนาคามินั่นแหละตามลำดับขราหมดสงสัยควมสงสัยลั่งเละใจหมดไป อย่างที่พูดนี่ก่อนสวมุติว่าเรามีความทุกข์อยู่ภายในร้อยเปอร์เซ็ตแล้วคนทุกข์นั้นจับหมดไปอย่างน้อยที่สุดต้องแปดสิบเปอร์เซ็ต์จึจะมีผ่านาคาร ไ, ได้แต่ผมไม่ใช่เป็นผ่านธนาคารนีอันนี้ผมพูดตามตําราอย่างเด็ผมเป็นจริงอย่างนั้นสําหรับวิธีที่ผมพูดนี้ผมกล้าได้ยืนยันรับรองได้ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นจริงไม่ถูกต้อง ผมขใอใจยังอาทำดูให้มี ส, สติติดตามในเรียบบทของเราล้วจะเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามให้มี ส, สติเข้าไปกําหนึรู้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่เอาอย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งเต่หนึ่งวัน 1, 000, ถึงเก้าสิบวันเดียวสามเดือนนั่นเองทุกนั้นน่ะจะลดน้อยไปหรือถึงกําหดได้ ถ้าว่าเรามีทุกอยู่ร้อยเปอร์เซ็นทุกนั้นยังน้อยต้องลดไปหกสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่ห0สิบเปอร์เซ็นะห้าสิบเปอร์เซ็นมันขรึ่งตัวถ้าหกสิบเปอร์เซ็นมันก็ต้องหมดไปแล้วส่วนมากเหลืออยู่สี่สิบเปอร์เซ็อันนี้ผมรับรองถ้าปฏิบัติอย่างนี้นะมันต้องลู้ขึ้นมาจริงจมันทำถูกเนี่ยทำถูกแล้วมันก็ต้องไปถึงได้ ทำผิดก็จะถึงได้ไหมทําจนตานยไม่ถึงจริงๆผมทํามาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีจนถึงอายุสี่สิบหกปีมันเกินกว่ากำหนดที่ตําราพูดไว้แล้วเจ็ดปีนี่อันนี้เราทํามาตั้งแต่ตัวเล็กๆแต่เราไม่รู้เลยไม่เข้าใจจริงๆแล้วก็ทำอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจว่าอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องเมื่อคนอื่นมาพูดให้มันแน่นุดขึ้นมาภายในจิตใจมันเกินไม่พอใจขึ้นมาทันที เนมันเข้าใจจะเราทําเป็นแล้วเราก็ไปจึดผู้ dom การอันนั้นแหละอันนั้นแหละตอว่าเรายึดมั่นถือมั่นอในธุระอันนั้นเราไม่ยอมปล่อยวางอันนั้นเมื่อเราติดอยู่จร่งนั้นเราจะไปได้ไหมเหมือนกับที่เราเอาเสื้อมาพูกแค้งเราไว้ติดต้นไม้ไว้เราเดินไปไหนมันได้มันไม่ได้เนี่ย <c oughs> เสื้อมันติดเราไว้แล้วเนี่ยเราจะไปที่ไหนได้เมื่อเราไม้ไแก้ไม่ถอน ออกจากสิ่งนั้นมันก็ไปไม่ได้อันเนื้อเราติดแต่เราไม่รู้ไม่รู้มันก็ติดสินั่นเป็นอย่างนั้นดังนั้นวิธีที่ผมนํามาเราผมจยืนยันรับรองได้ที่แรกผมลูกขึ้นมาผมเลิกได้เลิกได้จริงๆเท่าทุกวันนี้แหละเลิกได้จริงๆผมเลิกได้จริงๆดรื่นี้เลิอกอบายยามมุกนี่ผมเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วให้เลิกละอยากอบายยามุกทุกวิธี ผมเลิกได้จริงๆเลิกจริงๆเลิกในขณะนั้นแหละผมรู้ในขณะนั้นก็เลิกในขณะนั้นทีเดียวไม่ต้องรอคอ ย, ยอะไรทั้งหมดเพราะเราพิจารณาวิจัยเอาคําพูดที่เรามันปรากฏขึ้นมาจากภายในจิตใจของเราจริงๆ ใจวิริยะพวมเพียนจิตตะเอาใจใส่วิมังสะดำริตีตออันนี้เราไม่ได้เอาใจใส่อย่างนั้นแต่เข้าใจว่าเราพูดได้อันนั้นมันรู้จำมารู้จักมาแต่มันไม่อย่างเป็นการรู้แจ้งมันยังไม่เป็นการรู้จริงถ้ารู้แจ้งรู้จริงเราต้องทำอย่างนั้นตลอดไปเลยกำหนดเราจะตืนเวลาเท่านั้นต้องเตือนอย่างนั้นแหละจะมีเพื่อนก็เตืนอย่างนั้นลุกอย่างนั้น เราจะทางานอย่างนั้นจะมีเพื่อนเราก็ต้องทําอย่างนั้นไม่มีเพื่อนเราก็ต้องทำอย่างนั้ น, อ, น, อ, อ, น, นอันนั้นแน่นอนเรียกว่าเป็นเมนิสัยเป็นตัใจัยเหตเกิดขึ้นพ่อเราทําอย่างนั้นผนมันก็ต้องได้รับอย่างนั้นอันนี้ผมเข้าใจอย่างมันก็เลยเป็กขาดง่า้เรื่องสีเทวดานั้นลกสว่านเนี้ยผมว่าผมเข้าใจจริงๆผมจึงไม่มีทุกเรื่องนี้ผีผมก็ไม่กลัวเลยที่แรกผมต้องกลัวผีอไร้เทวดาอยู่ที่ไหนไม่ทราบ ไม่ทราบจริงๆทเทวดาอยู่ที่ไหนไม่สราบจริงๆก็ไหว้รออย่างนั้นเดี๋ยวนี้ต้องเต่วันนั้นแหละมาผมรู้ทเทวดาผมก็ต้องไหว้ตัวของผมเองผีผมก็ต้องไหว้ตัวของผมเองผมต้องเห็นอย่างนี้ผีคื อ, ค, อคือตัวของผมที่มันมีมันมีทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวท่างผู้รู้เกล่าวอาไว้ว่าก้องตอกยาววานาะคือมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถที่จะให้เป็นผีก็ได้เป็นเทวด า, าก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้นื้อที่สุดก็แบบเป็นอริยะบุคคลก็ได้เนี่ยเราต้องศึกษาผมควรที่ตรงนี้เมื่อรู้ทราบซึ่งถึงจิตใจจริงๆแล้วผมก็เหน่ยไม่ได้ติดสมมุติเท่า น, นั้นแต่ผมก็ทําได้ทําไมจึงทําได้พกฏสังคมเขาทาเขาทําได้แต่ผมทํานั้นผมไม่ได้ทำแต่ผมทําตัวของผมสมมุติผมเป็นกาบ กราบผีนะมีเพื่อนอากสิบคนเอาผมไปกราบผีศาลพระภูผมผมไม่ได้กราบผีผมกราบตัวผมเองผมเข้าใจอย่างนี้สมมติว่าเขากราบเทวดานะที่นี่ผมก็กราบได้แต่ผมไม่ได้กราบเทวดาผมกราบตัวผมผมเคารพตัวผมคือตัวผมเนี่ยทําดีแล้วในขณะนี้เวลานี้วินาทีนี้ผมทําดีแล้วคนอื่นจะพูดว่าผมทำชัวผมก็ไม่เชือ ไม่ใช่จริงๆเพราะผมทำดีผมต้องว่าได้อย่างนี้ในขณะที่ผมเกิดจิตใจไม่ดีผมก็รู้เนี่ยได้ทำดีไม่ใช่ทำดีทำตกปโกปผมเข้าใจอย่างนี้ดังนั้นการปฏิบัติอย่างนี้มันต้องรู้ทราบจนถึงจิตใจจริงๆพระพุทธเจ้าท่านสอนทำไว้เราตัดสระรูพ้พอการทำทางจิตทางใจพระพุทธเจ้าท่านสอนและบัดนี้เราก็เคยได้ยินว่า พ่อพระเจ้าจัดกรู้พาะการทาทางจิตทางใจเนี่ยเราไม่ได้มาดูที่จิตใจของเองเพราะว่าทำทางจิตทางใจเนี่ยไม่ใช่จะเอามือไปทำทำอะไรไม่ได้เราต้องมีสติคอยจ้องมองดูลงไปที่จิตที่ใจของเราจริงๆเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยไม่เคยดูชีวิตใจิตใจของเราแม้แต่ น, นิดเดียวไม่เคยดูจริงๆผมเองอันเนี้ย ถ้าไปทำกรรมาฐานผมก็ต้องหลับตานั่งภาวนายังไม่เคยดูลงไปที่จิตใจมันคิดอะไรอะไรมาผมไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจจริงๆผมก็เลยทําไปตามอารมณ์คมคิดนั่นแหลพะพอที่มันคิดมาผมก็เข้าใจว่าอันนั้นเป็นความคิดที่ดีผมก็ทําตามไปความจริงแล้วความคิดประเภทนั้นมันเป็นสิ่งที่ปกปิดเอาไว้มันคุมเอาไว้คือไม่ให้ เราสลบเข้าไปหรือเราเจาะเข้าไปในสมุฐานของความคิดันนั้นได้ความคิดนั้นมันเร็วสมมุติว่าเราต้องการจากลุกนะมันจากลุกมันลุกทันทีเลยมันไม่ได้คิดว่ามันอยากลุกมันไม่ได้มองถึงออกไปอันที่มันอยากให้เราลุกมันมาจากที่ไหนเราไม่ได้เข้าไปเจาะลกไปที่นี้หรือเราอยาไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยเราก็พอดียวคิดอยากไปก็ไปทันทีอยากสุโภเรแล้วก็โจบทันที อยากทอะไรแล้วทำไปทันทีอันนี้เราไม่ได้ดูความคิดครัาคือเรารู้ความคิดรู้และทําไปตามอารมณ์ของความคิดอันนี้เป็นความรู้ที่ไม่รู้แจ้งเดี๋ยวรู้เท่านั้นเองเป็นความรู้รู้จักรู้จักในการทํานั้นเข้าใจว่ามันดีอันนี้ยังไม่ได้จบลงไปถึงสมุดฐานของความคิดคผมเข้าใจอย่างไีอันนี้เดีวรู้จักรู้จักแล้วก็พูดได้เนี่ยพูดได้จริงๆอันนี้รู้จักแล้วก็จําได้มัน ร, กกรู้จักับรู้จำรู้จำกับรู้จัำนี่มันคล้ายๆแต่มันอยู่ส ม, มุติฐานตะกูลเดียวกันยังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้จริงแบบนี้ผมเดินแต่คราวนั้นผมรู้ผมคิดผมผมรู้จริงๆมันคิดผุขึ้นมาดูมันไม่เห็นเพียงรู้เอ๊ะมันคิดมาจากที่ไหนผมก็มรเรียวว่า้าวหาความคิดเน่ยไม่เห็น แลมันคิดมันหายไปเนี่ยนานๆว่ะคิดมาอีกเอ้ามันคิดมาจากที่ไหนก็มองพอจะรู้จักเล็กๆน้อยๆมันคิดขึ้นมาอ้ามันคิดที่ตรงนี้ตันนี้เราจะไปจ้องอยู่ที่ตัวนกอไม่ได้จ้องไม่ได้ออเมื่อจ้องเข้ามามันเบี้เข้ามามันตึงเครียดขึ้นมันแล้วมันผมบอไป้ทำอย่านี้ไหมนะทําเล่นๆดูเล่นๆไปมันคิดนกอปัดไป คนเราไม่เคยดูที่จุดนี้คนเราวันแต่ลาวันนี่มันคิดตั้งหลายเรื่องพันเรื่องหมื่นเรื่องแสนเรื่องอะไรเราไม่เคยรู้เลยมันคิดขึ้นมาเรารู้เรารู้แวก็ทําไปตามความคิดถ้าพูดตามอุดมการที่ผมคิดแต่ผมพูดผมรู้จักอย่างนี้ความรู้อันนั้นเป็นผวมรู้ที่แก้ทุกข์ไม่ได้เป็นผวมรู้ตะกูลของอวิชชา ดังนั้นอวิ ing, complic, mismos, ชชานั้นจึงละมาแต่กันว่าแต่ว่าคมไม่รู้แต่ผมจริงผมคิดอนั้นเป็นควมคิดมาจากอวิชชาแก้ทุกข์ไปได้ผมเข้าใจอย่างนี้เมื่อผมก็เลยไม่ได้พูดบอกอวิชชาไปว่าผมไม่รู้ผมไม่ได้พูดอันนี้แต่การตัวหนังสืออวิชชาไปว่าผมไม่รู้พูดไปอย่างนี้ผมมาเข้าใจอวิชชาไปว่าผมรู้แก้ทุกไม่ได้ควรคิดประเภทนี้มันแก้ทุกไม่ได้ผมเข้าใจอย่างเพียงแก้ได้เพียงว่า เราไม่ไหวผีไม่ไหวเทวชาไม่เสื่อเลื่อกงามยามดีผมเลือกละจะอาบายยมกได้แต่รู้ได้เพียงแค่นั้นเแต่ตัวคมพอใจไม่พอใจนี่ผมไม่รู้คราวนั้นผมตึงตีติผมเดินไปเดินมาแม้มันรู้ผมรู้นองใสดีแม้สะอาดแจ่มแจ้งดีอะไอย่างนั้นมันเข้าใจอย่างเั้นแต่เพราะมันไม่รู้สมุฐานของมัน แม้มันเปอย่างนั้นก็เลยรู้อย่างนั้นก็เลยไปสอนคนได้เป็นอย่างนั้นแต่ามรู้อันนั้นไม่ใจจริของจริงในใจจริงของจริ ง, ง, ง, รงเรื่องสมถะกรรมฐานนั่งหลักตาเนี่ผมสอนมาตั้งแต่อายุยี่สิบเจ็ปีย่ิบสองปผมสอนได้แต่ผมสอนบา้บาๆบอๆไปสอนไปอย่างนั้นเนี่เรามีอย่างนั้นก็ต้องสอนอย่างนั้นครอบครัวผมสอนได้ทุกคนแม้เรื่องว่าแฟนเรือภรรยาก็ตามเนีน่ผมสอนมา สอนมาตั้งแต่พอตั้งแต่แม่ผมก็สอนมาแต่พอผมตายตั้งแต่เมื่อผมเป็นเด็กที่แม่เนี่ยผมสอนมาไดา้ที่พี่ต้องนอกผมสอนมาจริงๆเรื่องนี้สอนให้ทํพุโทโธหรื อ, อภาวนาปัญญาปณามีนี่ยผมสอนจริงๆเรื่องนี้เพราเรามีความรู้อย่างนั้นก็าต้องสอนอย่างนั้นต่อมาเมื่ออายุสี่ปีหกปีเนี่ยผมไม่สอนแบบนั้นผมสอนให้คนรู้จักตัวเองจริงๆให้รู้จัก ปรากฏขึ้นมาในดวงจิตของเราจริงๆแม้ก็ไม่ต้องนั่งก็ได้ไปทํางานอะไรก็ได้แต่ดวงจิตใจของเราจะเสมอไปพวมคิดมันปลากดขึ้นมาเราจะเห็นทันทีควมคิดจะหยุดไปทันทีมันจะไม่เด่นงไปแต่ถ้าเราคิดขึ้นมาความคิดที่มันเด่นกระกอบอยู่ด้วยโมหะโสะโลภะ ม, มันก็ถัดได้แม้เราจะสร้างควคิดขึ้นมาได้คนอื่นจะพูดว่าเธอไม่ดีนะ เคมามันทาผิดนะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราผ ม, มเห็นอย่างนี้เขาว่าเราไม่ดีมันไม่ดีที่ตรงไหนเราก็ดูตัวเราเราดีแล้วเนี่ยเราทําดีแล้วเนี่ยมันไม่ติดกฎหมายเนี่ยเขาว่าเราไม่ดีเนี่เราก็ไม่ได้โกหกใครเนี่ยเราก็เห็นที่ตรงนี้นี่ผมเห็นอย่างนี้วิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสอนให้แก้ทุกนี่เองเมื่อเรามีคนทุกเราไปสอนเขาก็ต้องเอาคมทุกนั้นไปสอนเขาให้เขาได้รับทุกไปหนักกว่านั้น เมื่อเราไม่มีทุกจริงๆแล้วเนี่ยเอากว่าไม่มีทุกไปสอนเขาหลังที่ผมพูดเดี๋ยวนี้ใครจะพูดยังไงผมก็รับรองได้ผมไม่มีทุกเรื่องนี้ไม่มีทุกมานานแล้วนะเรื่งนี้ผมไม่มีทุกมานานแล้วใครจะพูดยังไงผมก็ไม่โกรธเนี่ยมันไม่มีทุกจริงๆนี้นั่นผมจึงกล้ายืนยันรับรองได้ว่าผมโกรธมันไม่มีผมโลภมันไม่มีที่บางโกรธขึ้นมาเพราะเรื่องอะไรเพราะเราหลงชีวิตเราท่านั้นผมโลภ มันมีขึ้นมาเพราะเราหลงชีวิตเราไม่รู้จักทุกนั่นเองทุกนี่เราไม่รู้จริงๆสมมติเราเราต้องการอย่างนี้เราก็ต้องไปหาอย่างนั้นได้มาแล้วก็พอใจนั่นแหละทุกพาไป <S <S <S <S เมื่อเราได้มาแล้วเกิดไม่พอใจเอาแล้ววันนี้ทุกแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีทุกทุกแต่เมื่อเราทำที่แรกที่มันทุกจริงๆเมื่อได้มาแล้วปรทุกจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเราไม่เข้าใจดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรามีสติเจา ลงไปที่จิตใจจริงๆอืมเราจกลงไปที่จิตใจจริงๆเมื่อเรามาดูอย่างนี้แหละผมดูอย่างนี้แหละมันคิดมาร้อยเรื่องนะพูดเรื่องผมคิดมันต้องวกวนจริงๆนะเรื่องนี้มันคิดร้อยเรื่องผมรู้ทันเรื่องหนึ่งแล้วมันไม่ถึงร้อยแล้วมันมีเก้าสิบเก้าเรื่องมันคิดผมไม่ทันมันผมได้เรื่องนึงมาแล้วมันี้เอาแบบนี้สมมติว่ามันคิดร้อยเรื่องผมได้หกสิบเรื่องเลยผมยังไม่ทันมันสี่สิบเรื่องผมก็มีกําไรแล้วัน มันเป็นวิธีบวกเราตุบทาขึ้นมาห้าสิบเรื่องเราก็ยังได้ตัวเท่าตัวยังไม่มีกำไรวันนี้มันคิดมาลอยเรื่องเราปุกได้หกสิบเรามีกำไรสิบหนึ่งมันคาดทุนมาให้เราแล้วแบบเนี้ย เนี่ยการทำทำอย่างนี้มันมีกำไรซีบิบมันนี้มันคิดมาร้อยเรื่องเราได้แปดสิบมันเหลืออยู่ยี่สิบเฮ้ยมันคิดขึ้นมาร้อยเรื่องเราได้เก้าสิบมันคิดขึ้นมาร้อยเรื่องเราได้ทุกทีทุกทีเรอยว่าลู่เท่าลู่ทันลู่กันลู่แก่ลู่จะกอาชนะมันได้อันนี้เป็นคำพูดแต่ว่าตอนรู้ต้องรู้อย่างนี้จริงๆผมเข้าใจอย่างนั้นจริงมันคิดขึ้นมาปุ๊บมันรู้ทันทีเหมือนแบบกับหนูเนี่ยพอดีนหนูออกมา แม่มันจะพุดทันทีเพราะมันเป็นของตรงกันข้ามเนี่ยนี่ผมเข้าใจอย่างนไงอ๋อมันเรื่องอย่างนี้แต่ควมพูดเนี่ยมันน้อยที่สุดอันนี้แหละเป็นวิธีที่ตับทุกได้จริงๆเรื่องนี้จริงๆผมรับรองได้ร้อยเปอร์เซ็นผมรับรองได้จริงๆริงถ้าใครปฏิบัติอย่างนี้หละ่ะให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซเนี่ยเอาถึงสามปีเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกประเทศนี่นถึงมีร้อยเปอร์เซ็นอย่างน้อย อย่างน้อยนะมันจะทิ้งไป6กสิบเปอร์ซ็นจะเหลืออยู่ภายในส0ิบเปอร์เซ็นอย่างน้อยที่สุดนะผมพูดเนี่ยเอาถ้าจังมากอา้าวมันมีทุกร้อยเปเซ็นมันจะมีเพียงยี่สิบเปอร์เซ็นตมันจะทิ้งสลับไปได้แ0ดสิบเปอร์เซ็นผมเข้าใจว่าทำจริงๆเนาะมันจะไม่มีปากฏุดมาเลยจริงๆเรื่องนี้อันนี้เป็นวิธีทำลายควมโปรกมโลกควมหลงให้มีสติ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 คำพูดอย่างอื่นนั้นมันมันเป็นคําพูดเรื่องความรู้บางที่อาจจะเป็นการประสมกับคำรู้ของอุบาอาจารย์ทั่วไปแต่พระพุทธเจ้าสอนสอนเรื่องนี้จริงๆผมเขา้าใาอย่างนี้เรื่องการทําบุญให้ฐานรักษาศีลกินเกอันนั้นเป็นคําสอนของอาจารย์ทั่วไปไม่ได้เจาะเถึงพระพุทธเจ้าจริงๆนี่พระพุทธเจ้าต้องรู้เรื่องนี้จุดนี้จริงๆอันนั้นก็ดีไม่ใช่มันไม่ดีแต่มันดีแต่มันแก้ทกไม่ได้ ผมก็เลิกมาอย่างนั้นผมก็ทํามาเหมือนกันแม้ผมเลิกมาถึงไม่ผมก็เลยทุกวันนี้ผมก็ทํามาหากินเรื่องอื่นผมทําไม่เป็นจริงจิงเพราะในชีวิตของผมในชีวิตนี้ผมไม่เคยทําอย่างนั้นได้เป็นอย่าง ไ, ไปเรื่องฆ่าตัดวรักทรัพย์นี่ผมเผาไม่เป็นเพราะผมไม่ไม่เคยทําเป็นนิสัยมาตั้งแต่ตัวผมเป็น เข้าไปในวัดผมไปเห็นคนแ ก, แก่ๆเขาเจ้าเขียนรูปภาพติดขวาผานังติ๋เนี่ยว่าตัวเป็นคนหัวเป็นสัตว์บางครั้งบางคาวกตัวเป็นคนหัวเป็นคนขึ้นต้นไม้แล้วก็มีแรงในการสัตว์สีสานเลื้อยย้อยโทษตัวโทษตัวไปนี่เนี่ยแล้วก็ข้างล้มก็จนนักตัดผมกลัวอันนั้นเน่ยกลัวเนี่ยผมยังทําอย่างนั้นไม่ได้อันนี้เป็นรูปจา รู้จักเ่ยความจริงไม่เป็นอย่างนั้นความจริงไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆริงนับรองไนดน้อันนั้นเป็นรูปภาพลวงตาให้คนไม่รู้ได้กลัวเอาไว้แต่ความจริงพระพรุทธจ้ท่านสอนนั่นคือให้มาดูที่จิตใจจิตใจเป็นปลากรดขึ้นมาอย่าเพิ่งให้มันไปเราต้องจับมันให้ได้แต่ไม่ได้จับด้วยมือจับด้วยมือไม่ได้เราต้องรู้เมื่อรู้แล้วมันหยุดทันทีเนี่ยเราเห็นเรารู้มันหยุดทันที มันจะปรุงเรื่องใหม่ขึ้นมาปรุงเรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วก็รู้ทันทีอีกแล้วมันก็เลยไม่ไหนอันนี้ผมคิดประเภทนี้เลยวะ่ะมันไม่ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องโทสะโมหโลภะแล้วทีเนี่ยอันนี้เพราะเรามีศีลแล้วเนี่ยศีลจึงกำจัดกิเลสยำยาได้กำจัดกิเลสยำยาเพราะกำจัดโทสะโมหโลภะนี่เองไม่ได้กำจัดคือว่าไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อันนั้นโอ้โหอันนั้นผิดกฎหมายนั่นผิดกฎหมายไปฆ่าสัตว์ ลักษรัมันผิดกฎหมายเนี่ยนั่นมันผิดกฎหมายไม่ต้องพูดถึงเรื่องกฎหมายเรื่องศีลธรรมผมไม่ได้พูดในเดี๋ยวนี้ที่ผมพูดวันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องศีลธรรมไม่ได้พูดเรื่องกฎหมายผมพูดเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องศีลธรรมเรื่องกฎหมายนั่นเป็นเรื่องสังคมทั่วไปแต่มันแก้ทุกข์ไม่ได้เนยมันแก้ทุกข์ไม่ได้ผมไปนั่งทำพุทโธนี่ บางทีผมยังไม่พอใจคนอื่นพูดไม่พอใจแม่ผมไม่รู้ทุกขานั้นผมไม่รู้จริงๆนึกว่าได้พูดไปแล้วก็พอใจเนี่ยปุถุชนมันต้องเป็นยังไงเรื่องทําอย่างนี้มันยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ผมไม่ได้เป็นพาเดียยาวแต่ผมพูดความจริงผมว่าไม่มีทุกขานั้นเองแต่ผมมีทุกอยู่เพราะฉะนั้นก็ะดานผมมีทุกอยู่แต่ผมไม่รู้ทุกประเภทนั้นเราจะเอาวิธีใดสู้มันผมก็คิดอย่างนั้นมนตั้งต้นอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อมันมีทุกอย่าง มันเอาออกไปได้ก็จนเทา่าจังมันจางจางไปเหมือนกับน้ําที่มันถ่ายถายอย่างนี้สมมุติอ่านะเราอุดน้ําบ่อลงไปพอดีแล้วไปเจอน้ำน้ํามันเป็นจุกป่ที่สุดบัดนี้เราก็ไม่เข้าใจเราก็ต้องตักทิ้งเลยบัดนี้เมื่อมันไม่พอใจมันก็โกรธเหมือนกับน้ําที่สกุกโปกงยังไเราตักที่มันก็ จ, จางไปน้ํ า, า, ออ า, ข, ออ ข, าข้างในมันไหลออกมาเราก็ตักออกไปตักขึ้นมาหมดแล้น้าข้างในมันไหลออกมา มันเป็นรูนะข้างในที่ไหนมันก็ไม่ทราบมันไหลามาจากที่ต้นน้ําเนี่ยมันมาจากที่ไหนไม่ทราบ mm hmm. เมื่อเราตักออกไปน้ํากะจางไปที่สกปรกมัก็ออกไปน้าแล้วก็ปวนในบอ่อน้ําของเรามันก็ล้างตมล้างโคลนล้างที่อะไรมั น, นติดตะกบอนะ์ป้วนเข้าตักออกป้วนเข้าตักออกผลที่สุดน้ํามันล้างสะอาดดีแล้วปวนมันก็ไม่สปกปรกอะไรตกอยู่ในบอ่อล้วก็เห็นคนรู้ความคิดประเภทนี้ก็เหมือนกัน เราจะไปห้ามมันเรื่องคิดให้มันคิดมันยิ่งคิดเรายิ่งรู้แต่ผมพูดอย่างนี้คนอื่นเราไม่เห็นด้วยมันไม่เห็นด้วยก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมผมทําอย่างนี้ผมก็ต้องูดอย่างนี้ผมรับรองได้อย่างนี้เนี่ยเมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วมันเข้าใจได้จริงโอ้ที่จริงแล้วความทกไม่มีเรามีนั่นคือเราไม่รู้จักวิธีฟองเอาสิ่งนั้นทิ้งไปสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้มีอยู่ที่เราอุปมาให้เราฝังสมมตินะ ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นี่นะเวลากลางวันมาเมฆมันท่านไปเราเรียกว่าตะเวนบทหรือดวงอาทิตย์บทความจริงตะเวนกับดวงอาทิตย์มันไม่ได้บทเลยมันทําคนสว่างเป็นัวอยู่อย่างนั้นเมฆหรืออากาศอะไรมันไป็นบางไว้เท่นั้นเองแต่เมฆนั่นจะไปจับดวงอาทิตย์ไม่ได้จริงๆจริงๆเรื่องนี้เมฆไปจับดวงอาทิตย์ไม่ได้จับดวงจันทร์ไม่ได้มันก็ผ่านไปตามเรื่องของมันเท่านั้นเอง อันนี้ก็เหมือนกันเราทุกนันกรู้มันผ่านไปพอมันเราไปจับมันไว้เท่านั้นเองเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจริงสอนว่าให้มีสติอันนะ้น เ, เป็นคำสูดของพระเจ้าแต่ความจริงอันนี้ให้เรามีสติเราจรึงจะพยายามทําตามแบบพระพุทเจ้านั้นแล้วเราก็รู้ตามวิธีของพระพุทเจ้านั้นเราก็ต้องนํามาสอนให้คนที่ไม่รู้ได้รู้เท่านั้น เ, เรียกว่าหนายของที่ห่วงเปิดของที่ปิดเราไม่พูดเรื่องนี้ เราไปพูดเรื่องทําบุญให้ฐานรักษาศีลจินเจทําสมาธากรรมิกันมาอันนั้นก็ดีแต่มันแก้ทุกเรื่องนี้ไม่ได้แก้ทุกเรื่องนี้ไม่ได้ดังนั้นเมื่อผมรู้สมุทฐานอเ น, นี้เนี่ยโอ้มันเข้าใจว่าศีลเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยิ่งควกจริงมีสติแล้วมันก็ต้องมีศีลในขณะที่เรานั่งเดี๋ยว น, นี้เนี่ยนี่แหละเรามีศีล อันศิลปาณาอธินากาเมโมสาโซลาศิลห้าศิลแปดศิลสิบศิลสองร้อยี่สิบอันนั้นเป็นเป็นสังคมศิลเมื่อคนใดไม่อยู่ในกรอบอันนั้นจะอยู่กับสังคมอันนั้นมันไม่ได้อันนั้นก็เรียกสังคมให้เรารู้จักสังคมอันนั้นเขากว่าศิลธรรมไม่ได้เป็นคําสอนของพระพเจ้าโดยสฉขเออแต่มันก็ดีหยดสงฆ์เข้ากันได้ตอนนั้นตัวศิลที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นอ่ะมันกําจัดอันนี้ ตัวสติเนี่ยมันกําจัดโมหะโทสะโลภะได้จริงอันนี้เราสิงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยาวในผมพูดนีนจะหาว่าผมพูดอุตริมนุษหาธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนแล้วพวกศานผมไม่เชื่อผมพูดเนี่ยพูดอุตริมนุษหาธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่ในเราเราก็ต้องพูดได้เราไม่ต้องโกงไม่มีในหนังสือจริงๆ พูดอุตรีดมนุษย์พูดอวดนะไม่ใช่พูดอุตรีพูดอวดอุตรีดมนุษย์ศาสนาธรรมคือทรรอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องอวบเป็นพิษาดจากว่เป็นทิกตูเป็นทิกตูในบริวารพุทธศาสนาไม่ได้อันไม่เป็นจจำรู้จักมาแล้วเราเป็นพูดบัดนี้พูดอุตรีไม่ใช่พูดอวดนะบัดนี้พูดอุตรีมนุษย์ศาธรรมคือทรรอันยิ่งของมนุษย์ที่มีในตนต้องอวบเป็นพิีเท่านั้นพ่อคุ่ทุ่นฟังไม่รู้เรื่องคนไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องนั่นก็เลยตำหนิกันเท เรื่องมันมีอาบัตดแลว้วความติเตียนของบุคคลที่ไม่รู้แต่ยังไงเราก็ต้องรู้ต้องรู้เมื่อได้ยินได้ฟังเราต้องรู้อย่างที่พวกเรานั่งอยู่ที่นี่สั่งและไปพิจารณาและปฏิบัติมันก็ต้องรู้มาสิอันนี้เรียกว่ายของที่วกว้าเปิดของที่ปิดอย่างนี้ทำที่ผมพูดเนี่ยที่มันจะปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่ในคนทุกคนไม่หยุเวนจะเป็นโซนธาตุไหนภาษาใดา ถือศาสนาไหนก็ได้นึง่งาคสียอะไรก็ได้ปฏิบัติอย่างนี้ต้องรู้อย่างนี้จริงๆรนี่การตัดสู่ของพระพุทเจ้าอย่ามันไปเก้าวไปได้ไกลไม่ต้องไปได้ไกลมาจากประเทศอินเดียมาถึงเมืองไทยไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าการตัดสู่ของพระพุทเจ้าไปได้ไกลนี่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปจำเอาคําพูดของใครมาพูดเนี่ยไปได้ไกลหมายถึงว่าจะเป็นคนยุคใดสมัยไหนก็ตามจะถือศาสนาไหนก็ตาม รู้ได้เข้าใจได้ละความโกรธได้ละความโลภได้ละความหลงได้เพราะมันไม่มีถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วปลว่าไปได้ไกลคือไม่เลือกยุคไม่เลือกสมัยจะถือศาสนาไหนก็ได้ปฏิบัติอย่างนี้ต้องได้จริว่ามันไปได้ไกลไม่เหมือนกับละที่ของคนอื่นละที่ของคนอื่นไม่ทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ไม่รู้อันนั้นไม่ถูก้องไม่ถูกต้องกับคำ คนจะถือศาสนาไหนก็ตามแต่ต้องปฏิบัติอย่างนี้มันต้องรู้อย่างนั้นนะนี่อย่างว่าผมเลือกจะมาจะม า, าสมมุติให้ฟัง่ะเหมือนกับเป็นข้าวจะเป็นข้าวเจ้าก็ตามข้าวเหนี่ยก็ตามถ้าไปเพาะในบางงอกตกเม็ดดังนั้นขอให้เป็นคนเนี่ยมันสมมุตินะคําว่าคนนี่มันก็สมมุติว่ามันมีธาตุส่คือธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมกันเข้าวเรียกว่าเป็นคนอันนี้คําพูดมันเป็นสมมุติมันก็จริงโดยสมมุติ เพราะว่าจริงโดยปรมัตดสมมุติมันจึงมีมากสมมุตินั้นมันมีมากเหมือนกับใบไม้ในป่าจริงสมมุติจริงโดยปรมัดเนี่ยสมมุติก็จยงบัญญัติขึ้นมาแล้วก็ปรมัดก็ยังบัญญัติขึ้นมาเนี่ยสมมุตินั่นคือสมมุติว่านายกนายขอหรืสมมุติแล้วก็บัญญัติสิ่งนั้นมันผิดทีนี้มาดูอันนั้นเรื่องสังผมใช่ไสมมุติบัญญัติปรมัดบัญญัติอัตถะบัญญัติอนิยะบัญญัติอันนี้ผมรู้ขึ้นมาจากโดยกด จริงๆงนั่นนี่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วคนจีว่ากล้ายืนยันรับรองคําสอนของพระพิจิตรไปได้ไครจริงๆใครปฏิบัติพอได้รู้ได้จริงๆเรื่องนี้ไม่เปอย่างนั้นที่ว่าอัตถะอัตถะหมายถึงลึกนักหรือจะว่ามักแดก็ได้อัตถะแปลลึกลัำยากบุคคลที่จะเข้าใจผู้ที่เข้าใจได้นั้นถ้าพูดครับตำราเขาเรียกว่าเป็นอริยบุคคลที่จะรู้ได้ ผู้ทุจริคนธรรมดาเนี่รู้ไม่ได้ถ้าพูดตามสมัยนี่ก่อนคนมีปัญญาคนพูดแล้วไม่มีทิฏฐิไม่มีมรณะฟังแล้วเอาไปปฏิบัตินี่เรียกว่าคนมีปัญญาคนมีทิฏฐิมีมรณะพูดแล้วไม่เหมาะกับเจริตนแต่อึดอัดแน่ใจกับอันนั้นเขาว่าเรียกว่าผู้ทุจรนผู้ทุกข์เปรอะผู้หนาเหมือนกําแพงนี่ไปกั้นไว้ไม่ให้มีคนเจาะลงไปที่นี่ได้ดังนี้คนมีปัญญาเออเขาพูดอย่างนั้นเรายังไม่เคยได้ยินแล้วจะเจาะดู เจาะดูมันก็นทะุเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าผู้มีปัญญาหรือว่าอริยบุคคลเนี่ยอัตถะปัญญาอริยบัญญัติคือจะรู้ได้เฉพาะผู้ที่เป็นอริยบุคคลอั้าโพุทธามตําราอาริเดลขาดติดยักษเดียวคนไปพ้นไปจากความบางอันนั้นคือพ้นไะจากความเป็นปุถุสุนพ้นไปจากควาคมหนาความมือดเ่า น, นั้นได้อันนี้อันเด่นอย่างนี้นอันนี้เข้าใจอย่างนี้ ดังนั้นที่ผมพูดมานี่คือมันมันมันผมพูดยุ่งยุ่งวกวนอยู่ที่ว่าให้ทําลายผมโกรธผมรบผมหลงนี่เองตอนนี้มันไม่ต้องไม่ต้องอะไรก่อนมุ่งมีศีลกำจัดกิเลสอย่างยามสมาธิกำจัดกิเลสอย่างการเราไม่ต้องไปนั่งที่ไหนเลยันคือเราไม่ต้องไปติดคนสงบแบบนั้นเนี้วสงบแบบนั้นสงบแบบอยู่ในถ้าเนี่ยเราเข้าไปในถ้ำเนี่ยที่ที่ผม ทำเนี่ยจะนั่งหลับตาเนี่ยนั่งสมาธิมันสงบมันสงบแบบในถ้าเนี่ยมันไม่สงบแบบนอกถ้าเนี่ยสงบแบบอยู่ในห้องมืดก็ว่าได้หรือสงบอยู่ในมุง้งก็ว่าได้เราเข้าไปในมุง้งเราเนี่ยเราเอามุ้งมากลางไว้เลยไม่ให้อยู่มาขัดหราเมื่อว่าเราเห็นมุง้งควาจริงเราไม่ได้เห็นมุ้งเลยเราอยู่ในมุง้งก็ แต่มุ้งมันอยู่บนศีรษะเรานี่หูมุ้งมัดทางโน้นทางนี้เราไม่ได้มองเห็นเราก็มองเห็นที่นั่งของเราเท่านั้นเองอันนี้แหละเราอยู่ในมุงกันยุงได้เพราะมันไม่มีคนมาดาา่าเราเราก็ไม่มีโกรธนั่นเองเราก็สงบได้อันเนี้เราสงบอยทั้ำเราอยู่ในที่มืดมันจะเห็นไหมเรามีเทียนและมีไม้ขีดจาบไม้เดียดจุดไฟแล้วมาติดเทียนจุดขึ้นไฟมันติดขึ้นมาเอาไฟมาข้างหน้ามืดมาข้างหลังเอาไฟมาข้างหลังมืดมาข้างหน้า จะว่าเราเห็นถ้ำไหมไม่ได้เห็นถ้ำเห็นทุกคนมืดนั่นเองอันเนี้ยอันนี้เรียกว่าเย็นน้ําแข็งไม่ใช่เย็นน้าลึกผมพูดจากนี้แต่คนฟังแล้วบางคนอาจจะไม่เขา้าใจเย็นน้าแข็งเราไปอยู่ในถ้ำเนี่ยเมื่อไปมืดเราเดินไปไหนมาไหนบางที่ก็ตกเหวตกบอ่อเม่เดินไปสนนั้นส่วนนี้เราไม่ต้องเห็นอย่างนั้นเราต้องออกนอกมุงมาเดินดูหลังมุงกว่าเห็น เดินดูหูมูลก่อนเห็นเราออกนอกถ้ำอ่ะเราดูปากถ้าก็เห็นดูไปในถ้าก่อนเห็นดูบนถ้าก่อนเห็นอันนี้เราขนเห็นมูลเห็นถ้าเย็นน้ําแข็งโอ้เราเข้าใจว่ากินน้ําแข็งมันเย็นความจริงเนะกินน้ําแข็งมันก็เย็นจริงที่สุดมันให้โทษเรามันร้อนขึ้นมาเหงื่อใครออกมามันเหน็ดมันสปกปรกอันนี้แหละผมเข้าใจว่าโอ้สมาธิกําจัดกิเลสอย่างต่างโอ้ อันนี้คนส่วนมากมาติดอันนี้แต่ผมไม่ได้พูดว่าคนนั้นคนนี้ติดใล้วมันติดนะไม่ได้พูดใครจะติดก็ตามแต่ผมไม่เอาแล้วเรื่องนี้ผมไม่เอาจริงๆรับรองร0อเปอร์ซ็นตผมไม่เอาจริงๆเรื่องนี้ผมเห็นว่ามันเป็นโทษจริงๆอันนี้มันเป็นโทษขนาดไหนมันเป็นโทษจ่ิงที่แบเหมือนเอ็เสื้อมาพูกผมไว้ติดต้นเสาติดต้นไม้ผมเดินไปมันติดผมแล้วผมจะเดินไปได้ไหม พอได้ไปนั่งุ๊มันอยากเข้าไปทำอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันชอบอย่างนั้นอันนี้หลอนิสใสฝึกได้มันเป็นอย่างนั้นทุกอย่างใดมันต้องเป็นอย่างนั้นผมพยายามทําเรื่องนี้มาโอ้โหนี่แหละเป็มันติดเนี่ยมันไม่เข้าใจว่าสมาธิกําจัดกิเลสอย่างกลางมันไม่เข้าใจคนไปติดคนสงบนี่เองคนไปติดคนสงบนี่เองเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ก่อนรำมาคิดย้อนถึงพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตัดสั่งรู้ เป็พระบริจาเหลือมองเห็นถึงอาจารย์โดยอาลาดาบุตุธคาดาบุตรของอาจารย์นี้แต่ไม่ได้เป็นพระบรเจ้าคติดความสงบคแค่นั้นเพราะว่าโอ้สิบหายแล้วพวกนั้นมีมรณนะมีทิฏฐิแล้วหรือว่าตายแล้วหรือว่ย่างไงก็ตามเนี่ยโอ้สิบหายสิบหายก็หมายถึงคนมีมรณนะมีทิฏฐิหรือตายแล้วก็ได้คนอื่นพูดให้ฟังไม่ยอมเลิกละเปลี่ยนจากสิ่งแล้วนะโดยจิบหายจิบหายก็หมายถึงตายนั่นเอง นี่มติดอันนั้นเหมือนกับเอาเสื้อผูกเราไว้เดินไปไหนไปได้มันติดเสื้ออันนั้นเราติดอันนั้นพอใจอันนั้นเดยจีบหายหนีจากที่นั้นไม่ได้แล้วจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นผมเจว์โ อ, อ้อันนี้มันเป็นกิเลสย่างกลางกิเลสย่างยามันทําอันนั้นได้แล้วมันติดอันนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นดีว่าเมื่อเราอยู่ที่นี่ไม่มีใครมาโกรธเราไม่มีใครมาพูดอะไรให้เราเราก็สบายจริงๆริแต่ว่าเมื่อไปเข้าสังคมแล้วไม่ได้ ผมเคยไปเขาตั้งคมเขาเหมือนกันบางทีเพื่อนเพื่อนมาพูดให้ปาทโ ธ, ธมันแน่นเตึบขึ้นมาเอาไม่ได้มันไม่เห็นเนี่ยมันไม่เห็นคมคิดนี่เองแต่เมื่อเราไม่เห็นความคิดเราก็ ร, ารู้ได้อันนี้จะเห็นแจ้งรู้จริงอันนี้อันนี้ยังไม่ถึงสมุทฐานของต้นเหตุกําเนิดที่ควรทุกอย่างดับสนิทนี่วะเราถอนปัญหาขึ้นได้กับทางลาบเราสวดกันธรรมวัต ที่อันนี้เป็นคําพูดของเจ้าคุณกุรธาตท่านแต่มาแต่ผมไม่ใช่เป็นนักแปลก็เป็นนักเรียนผมเป็นนักปฏิบัติแต่ผมเอามาประยุกต์เข้ากับวิธีผมที่รู้มาแับทําพูดของพระเจ้าเป็นภาษาบาลีเจ้าคุณกุทธาตท่านค้นมาแป่แล้วมันก็เข้ากันได้ถอนขึ้นได้กับทางน่าหมดสิ่งประทันนาดัดสนิทไม่มีส่วนเหลือนผมก็เลยมาพูดเอาว่าเหมือนกับรถแท็กอร์ ดุดเอาลาบมันทิ้งไปเสียเราไม่ต้องเอาหินมาทักในหญ้ามันป่องขึ้นมาเราดุดทิ้งไปเอาลงไปทะเลพวกทั้งหมดสรามันก็เลยไม่มีมันจะงอกขึ้นมาไม่ได้นเลืออย่างนั้นมันจะมาไม่ได้ผมเข้าใจอย่างนี้พมันเหมือนกันคําพูดของเจ้าคุณพุทธทาสพูดอย่างนี้และมันก็นมาตรงกับวิธีพระพุทธเจ้าตัดสรู้อย่างนี้เนี่ยอันนี้มันทุกคนต้องไปประสบอย่างนี้จริงๆ เรื่องนี้อันนี้ว่ดดัดสนิทไม่มีส่วนเหนือคือไม่ต้องการอะไรทั้งหมดเราพูดได้ว่าเราไม่ต้องการแต่เราไม่รู้สมุติฐานของผมคิดนี้เองเมื่อมันของสิ่งนั้นแหละมันหลุดออกจากกันเนี่ยอันนั้นแหละเี่ว่าเม็ดข้าวแตกขึ้นมาแล้วควัมปรากฏวิตามินหรืออะไรที่เลียวเม็ดข้าวมันอยู่ข้างในเนี่ยไม่จะพูดยังไงก็ไม่ทราบนะเพราะผมไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ผมเข้าใจกับวิทยาศาสตร์อันนี้มันเข้ากันได้ ที่ที่เป็เข้าเราไปเพาะไว้ในดินเนี่ยเป็นมันได้สมส่วนมันแล้วมันก็แตกขึ้นมาอันนี้เราก็มาพูดว่าที่มันหลุดออกจากตัวเราไปก็เหมือนกับไมลเข้าวที่มันแตกออกมามันแตกออกมาแล้วสิ่งนั้นมันเกาะไม่ได้มันเกาะไม่ได้กับเหมือนกับปิงผมเคยพูดปิงกับทาาบ้านผมเรียกว่าปิงว่าท่ามันมักเกาะเราว่ามันเกาะเรามันกระูดดกินเลือดเราบัดนี้เราไม่ต้องการไปจับปิงจับทาา ไม่ต้องการไปจับมันนเมื่อเราไปจับดึงมันมันมันไม่หลุดมันมีสองฐานทางนึมันจับมันแน่นเลยดึงทางนี้มันหลุดทางนั้นมันติดไว้ดึงทางนั้นออกมาท้งนี้มันหลดจับแรงแรงดึงเลือดเราออกจริงจเมื่อมันโดดเดือนเราออกมาบัดนี้เราไม่ต้องการดึงตัวทาตัวปิงไม่ต้องการดึงมันเป็นสมมุติคําพูดนั่นนี่ยเราเอายากระปูไปผสมเอาน้ําเมื่อยากระปูนผสมกับน้ำได้สมส่วนกันเอาน้ําปูนกับน้ายามาบีเอาน้ามันลากเลือเราไป พอเดชน้อยากกับน้าปูนเป็นถูกกับเนื้อติ่งติ่งมันหลุดคนเดียวมันมันกลัวอันนี้ก็เหมือนกันบัดนี้เมื่อเราไปเห็นสิ่งนั้นแหละสิ่งนั้นมันจะหลุดกันออกไปทันทีบัดนี้ทางตาํานาก็เลยมาพูดเรืนในอัญญตน้าสิ่สองเรื่องอัญญตาหกอัญญตาหกคืออัญญาตญญาภายในคื อ, อญญา ต, ออญญ า, ต 5, อาหูจมูกปีนกายใจบัดนี้เป็นอัญญาตาภายนอกคือลูกเสียง ก, ดดกลิ่นรสสัมผัธรรมารุ่มันไม่ดึงโดดกันท่านว่าตาเห็น สักว่าลูกอยากให้เป็นลูกหญิงลูกชาอยากให้มีสวยมีงามอยากให้มีอะไรนะท่านพูดมันพูดได้เนี่ยเพราะมันมีมันมีเสื่อมโยงเหมือนกับแม่เหล็กเนี่ยเอาเหล็กแม่เหล็กมันเดินไปเหล็กเลกเล็กเศษ เ, เ, เ, เหลือมันก็ติดมาที่แบบนี้เราต้องหาวิธีพูดอย่างนี้ผมเคยพูดกับอาจารย์สุสี ว, น ว, น ว, นวนันวันนี้เรื่อเมื่อไหร่มีมีมาสองคนวัดนวะั น, นนี้ หลวงพ่อเหมือนกับแเมล็กมากวดเนี่ยเอาแม่เหล็ดนี่ไปฆ่ามันฆ่าเสื้อมันไม่ให้มีเสื้อดึงดูดออย่างเนี่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ใช่ไหมนี่พูดอย่างนี้วันนี้เมล็กมันมีอยู่แต่เหล็กเศษนั่นมันมีเราฆ่าแม่เหล็กเอายาหรือเอาอะไรไป่ฆ่าเสื้อแเมล็กนองไปเอาเมล็กดึงไปเหล็กเล็กๆตามนั้นมันจะไม่ติดกับแเมล็ดไปเพราะมันไม่มมันมุดเสื้อมันแล้วเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันอายตนะไม่ต้องพูดเลยเพราะมันเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติอย่างนั้นจริงๆ อันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนให้แต่วิธีทําไม่ได้ทําอย่างอื่นมาทําที่ใจดูที่ใจถ้าเราดูใจเนี่ยถ้าดูใกล้บันยึนอดอดัดมันตึงเครียดอย่าไปดูจางนั้นเราดูเล่นๆทาสบายๆมองไกลๆทลําได้เล็กมันคิดปัดทิ้งไปทําบ่อยๆมันจะค่อยสะสมควารู้อันนี้ขึ้นมาความคุ้นเคยอันนี้มันจะสะสมขึ้นมาทีละนิดทีละนิด กูประมาณอีกข้างหนึ่งเหมือนกับเรามีแก้วน้ำมีแก้วมี่แก้วเปล่าเรามองตา <mon ster> เนื้อเรามองเห็นว่าทางวิทยาศาสตร์พูดอย่างนี้เมองลงไปว่าหน้าไม่มีอะไรอยู่ในแก้วเนี่ยแก้วเปล่าแก้วว่างความจริงแล้วทางวิทยาศาสตร์ก็มีอากาศอยู่ข้างในแก้วเราเอาน้ําเข้าไปอากาศมันไหนีเอาน้ำอยู่เข้าไปอากาศมันหนีเอาน้ําเข้าไปอากาศมนนันหนีเอาน้ําเข้าไปจนเต็มแก้วบนี้อากาศไม่มี เมื่ออากาศไม่มีเพมีแต่ น, น้ำเราเอาอะไรไปใส่เข้าไปไัน ไ, ไ, ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันตัวคนเราเนี่ยเมื่อมันเต็มมีสติสมบูรณ์เต็มแล้วอะไรจะเข้าไปแทนไม่ได้พอดีมันเป็นยังไงมันมันกระหลุดไปทั้งหมดเลยอันนี้เป็นวิธีที่พระพรุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้และผมก็เลยปฏิบัติอย่างนั้นมันก็เลยมาประสบออกกับสิ่งนี้จริงๆดังนั้นมันมีแล้วดังนั้นการตัดสิกุกของพระเจ้าทีม่มันไปได้ไครไครจริงๆ ใครจะเงีไม่หมดยุกไม่หมดสมัยจริงๆถ้าหากมีคนอยู่ตามใดแล้วปฏิบัติอยู่ตามนั้น่ะมีจริงๆเรื่องนี้ปรากฏขึ้นมาจริงๆถ้าหากว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติ ต, ตามแนวคําสอนของ พ, พระพุทธเจ้าจริงๆไม่หมดยุกไม่หมดสมัยจริงๆปฏิบัติได้อยู่ทุกยุคทุกสมัยที่เราตายไปเนี่ยลูกหลานเราเกิดขึ้นมาปฏิบัติอยนี้ก็จะมีจริงๆมันเป็นอย่างนั้น อันนี้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราไปไปเชื่อคำสอนของมันอันนี้เราพวกนักซื้อก็เลยมาตัดไว้อายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกตายเห็นเป็นรูปรั่วลูกเป็นน้ำแต่ย่าไปเพ่งว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสวยเป็นไม่สวยจะเปเพ่อย่างนั้นมันพูดได้สิอันนั้นเป็นคําพูดรู้จำมาเท่านั้นเองแต่ความจริงมันเป็นจริงๆถ้าปฏิบัติถึงเที่ยงสของทุกคนเป็นจริงๆมันคลายกันออกจริงๆ เรื่องนี้ดังนั้นเราก็เลยไปพูดเอาว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วเห็นแจ้งรู้จริงแล้วนำไปสอนคนอื่นให้รู้ตามเห็นตามตอนนี้เราไม่ได้พูดจุดนี้เราไปพูดเรื่องการทำบุญให้ฐานรักษาสินจินเจมันก็เลยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วมันจะรู้ได้ยังไงเรื่องนี้เราไปปูมกมะพร้าวดูมันเป็นมะเรือได้ไหมเป็นไปไม่ได้ ปลูกเขือเป็นบมะพริกไม่เป็นไปไม่ได้นะปลูกมะพร้าวจะเป็นอะไรเป็นส้มโอหรือเป็นอะไรมันเป็นไปไม่ได้ทํำยังไดมันต้องเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันก็ดีแต่ว่ามันไม่ใส่มันไม่ดีไม่ได้พูดว่ามันไม่ดีนะปลูกมะเขือก็ได้กินมกเขือปลูกักพริกก็ต้องกินมกพริกปลูกมะพร้าวส้มโออะไรมันต้องได้กินอันนั้นเนี่แต่ว่ามันไม่ได้กินเร่องนี้บัดนี้เราเจาะลงเรื่องนี้นะมันจะเป็นะเป็นจริงจิงลดของพัฒธรรมจึงมีมาก ยังมีมากจริงๆที่ผมนํามาพูดในวันนี้ผมนึกได้ว่าผมจะพูดความจริงให้เพื่อนทิกย์สุสมเนินและญาติโยมฟังจริงจรถ้าพูดแล้วผมตายลงเร่องนี้ผมก็ไม่เสียดายเพราะผมจะพูดของจริงแล้วพูดที่เป็นคําสอนของรทรานเรืจริงจริงแล้วจือว่ายอมเสียสละทรัพย์เพราะรักษาอาวั ย, ยวะยอมเสียสละอวั ย, ยวะเพราะรักษาชีวิตยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิต ขอให้ได้พูดของจริงให้คนฟังให้คนได้ปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงและคําสอนของขพระพุทธเจ้าจะไม่ตัดไม่หายไปมันจึงจะมีเจออยู่กับโลกอันนี้ได้เพราะมันไม่รู้วิธีปฏิบัตินี่มันไม่รู้วิธีปฏิบัติและมันก็ปฏิบัติไปอย่างผิดผิดและมันก็ไม่มีประโยชน์กับุคลผู้ที่ปฏิบัติมันมันไม่ได้รับผลจริงๆถ้าปฏิบัติอย่างนี้มันได้รับผลจริงๆผมจึงไม่กลง่ยอมตายจริงจริงผม ผมตายแล้วขอให้คนอื่นได้ปฏิบัติอย่างนี้มันจะไปพบเอาอย่างนี้และความปรากฏที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไวนะ้น่ะมันจึงจะมีขึ้นมาอย่างนี้ดังนั้นผู้ใดเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมจึงไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระพระเจ้าจึงไม่ตายจึงมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยคือธรรมะนั่นแหละที่ปรากฏนั่นแหละเป็นธรรมะเป็นพระพุทธเจ้า อันนี้เข้าใจตามคําพูดของผมเองผมพูดอย่างนี้แต่มันอาจจะขัดกับตำราก็ได้เพราะตำราผมไม่ได้เป็นนักศึกษาไม่ได้เป็นนักคกลัวกักบตำราธรรมะคือพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าคือธรรมะทําไมพูดอย่างนั้นก็เมื่อสมัยพระวกรกลิศไปอยู่กับพระพุทธเจ้าพระวรกลิศไปดูเอารูปรลางเนื้อหนังพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าประนามพระวกรกลิศเนี่ยว่าด่าอย่างนั้นก็ได้ ไลพ่พระวักกะเล็กหนีวิญญาณก็ได้เพราะวักกะเล็กก็เลยไม่มีที่พึ่งก็จะไปตายทีเดียวเนี่ยคนเมื่อไม่พอใจก็ต้องอาศัยตายเอาคนตายนั่นเป็นที่พึ่งท้าวพย ock ก็เลยถามาพวักกะเล็กว่าวัากกะเล็กอันนี้เข้าใจเป็นพระเจ้าหรือพราะว่ากะเล็กก็เลยเข้าใจว่าเนื้อหนังเป็นพระเจ้าความจริงแล้วไม่ใช่เป็นพระเจ้าเป็นท้าวพเจ้าเพียงเปลือกไหมเปลือกมันเป็นกับที่มันอันนั้นแต่ตัวธรรมะจริงๆคือตัวกฎของธรรมชาติ นี้พระพุทธเจ้าอันนั้นไม่ใช่พระเจ้าถ้าพระเจ้ามันจะเป็นอย่างนี้ทําไมมันตายเป็นแล้วกันเน่าเป็นเหม็นเป็นปุเลยเป็นเหมือนกันพระวักกะเล็ตกลายเป็นไหมตายเป็นเน่าเป็นเปืเลยเป็นเหมถ้าเป็นเหมือนกันมันจะเป็นพระพุทเจ้าได้ทําไมพระวักกะล็กเกิดสงสัยขึ้นมาพระพุทเจ้าจริงๆอยู่ที่ไหนเราก็ถามพระเจ้าพระเจ้าสอนแนะวิธีให้ไปปฏิบัติแก่การแนะพรวักกะลิกนั่นแนะยังไงไม่ทราบ อันนั้นแต่ว่าเพียงว่าได้ยินจากคุบาอาจารย์เราให้ฟังอันนี้เป็นคารู้จักพระว่ากลิกไปเจริญสติก็เลยรู้ทําเห็นทาก็เลยไปอยู่ไกลพระพุทธเจ้าก็อยู่ได้สบายใจนี่นั่นจตว่า